Oh, โอ้แม่หลวงพ่อชอบมากเลยอ่านของหลวงปู่มั่นเล่มอื่นนะั้นไม่สนุกอ่านคันทวิมุติสมังคีมันอเ อ, อนานั้นแหละโหมันจริงๆเลยในนั้น <c oughs> แต่ก่อนหลวงพ่อก็อ่านไม่รู้เรื่องหรอกธรรมะหลายอัานเลยที่แต่ก่อนอ่านไม่รู้เรื่องแล้วแกวนไม่ก่อนอย่างเรื่องจิตคือพุท ธ, ธะเนี่ยอ่านแล้วเหมือนรู้เรื่องนะแต่ไม่รู้เรื่องหรอก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 อันนี้เอาเป็นที่พักเท่านั้นนะเป็นที่พัก เ, เป็นที่พักเท่านั้นเพราะว่าใจเราซึมทื่อเกินไปครับใจตอนนี้เราไปบังคับผิดปกตินะดูออกไหมรู้สึกว่ายัา ง, ยางเพ่งอยู่ครับถ้ายังเพ่งอยู่นะทีนี้ถ้าไปไปไปพักอยู่ที่ลมแล้วพิจารณาดูดูจิตไปด้วยเนี่ยครับได้เวลาหายใจนะแล้วใจเราหนีไปเราก็รู้ใจไปเพ่งก็รู้นะใจหนักใจเบาก็รู้ไป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 คนกวา่าพิจารณาไม่รู้จักสิ้นสุดเลยเพระธรรมะนะมันกว้างขวางพิจารณาไปยังไงก็ไม่หมดแต่ถ้าเราทวนกระแสะเข้ามาดูถึงจิตถึงใจเราใจมันมีความอยากมีความดิ้นรนอะไรรู้ลงปัจจุบันได้เยนะเท่านี้มันหมดได้อย่าเห็นเลยทุกอย่างมันแค่สิ่งที่มายั่วย่วให้ใจคิดมายั่วยุ่ยให้ใจหลงถ้ารู้ทันไม่หลงไปไม่คิดไปรู้อยู่ปัจจุบันก็เห็นเลย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 ออการที่เราขจัดมันไม่ได้นะะั่นแหละคือความจรงิงอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเราบังคับเขาไม่ได้จรงิงเห็นไหมใจเราเริ่มเห็นความจรงิงแล้วแต่เรายังยอมรับไม่ได้เราเห็นความจริงแล้วว่าเราบังคับมันไม่ได้แต่เรายังอยากบังคับอยู่การที่เราบังคับไม่ได้นั่นแหละเป็นธรรมะละคือความจรงิงแต่เขายังคิดว่าถ้าถ้าเกิดเราไม่สามารถขจัดเขาตรงได้ตรงเนี้ยค่ะ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 อีกที่หนึ่งนะค่ะคือว่าคำภาวนาพุทโธที่เราท่องอยู Honestly, also, ่ในใจเนี่ยค่ะบางครั้งภาวนาไปแล้วพุทโธมันหายหนูก็เดินเดินไปก็พุทโธหายก็หาพุทโธก็หายไปไหนก็เรียกกลับมาค่ะพอเรียกกลับมาเดินเดินไปแล้วเรารู้สึกว่าพุทโธกับกายเป็นมันอึดอัดอะค่ะ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 ช่วงก่อนจิตฟุ้งซ่านบ่อยค่ะแล้วแต่ว่าทําสมถะไม่เก่งค่ะเดี๋ยวนี้โดยทำสมถะยังง่ายแล้วใจมันพร้อมจะสงบอยู่แล้วแค่เรารู้สึกตัวนะใจเราก็เริ่มสงบแล้วไม่ยังเวลาความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเรารู้ทันรู้สึกไหมใจมันสงบใจมันโล่งใจมันสบายเราฝึกไปเรื่อยๆ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 ถ้มันนานมันก็ไม่บ่อยใช่แต่ที่ต่อมาถูกต้องแล้วนะบางวันมันก็หลงบ่อยใช่ั้มบางวันมันก็หลงนานใช่บางวันอย่างคนทั่วๆไปมันหลงวันละครั้งคือนานมากเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับแต่ถ้าเราภาวนาชำนาญนั้นมันจะหลงบ่อยใจไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกแวบรู้สึกที่ทำอยู่ถูกต้องแล้วนะอย่าไปกลุ่มใจเลยเกินเกิน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 เ น, นี่ยตอนเนี้ยใจหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมยังไม่ไม่ต้องเกรงใจเนี่ยเกรงใจหลวงพ่อที่ต้องกลัวจะหลวงพ่อเสียกําลังใจใครใครดูไปใจเรานะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดูไปเรื่อยๆความจริงดูแค่ว่าใจเราเนี่ยประเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยๆหมุนเวียนอยู่อย่างเงี้ยดูอยู่แค่นี้ก็พอละ